พูดถึงพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะที่พระองค์ได้แผ่ไปในโมสัตว์ที่เรียกว่าเป็นไปด้วยอํานาจมหากรุณาสมาบัติญาณนั้นจะยกข้อความในมหากรุณาสมาบัติญาณนิเทศของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะข้อความในคุตการนิกายปฏิสัมพิธามมัชญาณกถาข้อ285มีใจความว่า พระมหากรุณาสมาบัติยานของพระตถ า, าคตเป็นไ น, นพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมากจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมูสัตว์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตอันไฟติดโชนแล้วจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมูสัตว์ คือพระองค์นี้ทรงเห็นว่าโลกเนี่ยไฟเนี่ยลุกทั่วไฟคือราคะก็เผาไม้สักเกรืมเ่มนะไฟคือโทสะก็เผาสัเป็นเหมือนกระตอตะโกไฟคือโมหะนี่ก็เผาให้ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบากนรกขณะเดียวกันเมื่อไฟคือราคะโทสะโมหะเป็นสมุธานไฟคือชาติชรามรณะโศกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญะก็ติดตาม อันก็ว่าหมูสัตว์นี่น่าสงสารจริงๆเพราะถูกไฟคือบาปอากุศลเล่นงานกลุ่มลมขณะเดียวกันนั้นมูสัตว์ก็เป็นไปตามชาติชรามรณะมันชาติชรามรณะเป็นต้นนี้ถือว่าเป็นความเร่าร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยยกพนแล้วเนี่ยนายกกําลังเคลื่อนพลไปไหนก็ไปสู่ชาติชรามรณะนั่นแหละโลกสันนิวาสเคลื่อนพลแล้วเนี่ย เดื่อนไปสู่ชาติชารามรณะโลกสันนิวาสเนี่ยเดินทางผิดแล้วเพราะว่าเดินไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะโลกอัญชารานำไปไม่ได้ยั่งยืนทุกคนเนี่ยบ่ายหน้าเข้าไปสู่ชาราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็วันนี้หนุ่มที่สุดพรุ่งนี้ก็แก่ขึ้นไปกว่านี้แก่ขึ้นไปกว่านี้อยู่ด้วยกันรเรียกยังไงนะนะนะพอนานๆเห็นเด็กเล็กๆมาเนี่ยเรียกตกใจเลยเนี่ยนะ ันว่าเรานี่เท่าชะร่แก่ชราขนาดนี้เลยชรามันนําไปทุกวันทุกวันไม่คิดเลยว่ามันจะแก่ขนาดนี้นะ <Okay. S 1> อ, อีกสักพักหนึ่งจะแก่กว่า น, นี้ไปเรื่อยไปเรื่อยวันโลกอันชรานําไปไม่ได้ยั่งยืนพระพุทธเจ้าสงสารเรานะว่าเราเนี่ยความแก่นําพาไปสู่ทุกวความแก่นําไปทุกวันทุกวันทุกวันแก่ไปทุกวันทุกวันน่าสงสารมากที่ชํารุดสุดโทมอยู่ทุกวันพระองค์สงสารอีกว่าโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่ S <S <an> ไม่มีอำนาจอะไรเป็นเครื่องต่อรองกับความเจ็บความป่วยเลยเนี่ยไม่ได้เป็นใหญ่เลยไม่มีอะไรป้องกันความเจ็บความป่วยอะไรไม่ได้เลยต้านทานป้องกันตัวเองไม่ได้เลยไม่มีอำนาจเลยเคยมีหัวก็นึกว่ามีอำนาจในศีรษะก็ไม่มีอำนาจอันโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานเบียดเบียนเนี่ยไม่มีผู้ใดมีอำนาจในในสรีระร่างกายอะไรเลย โลกสันนิวาไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทุกคนเนี่ยนะขึ้นมาเกิดขึ้นมาในโลกนะมาใช้ชีวิตอยู่ชั่วระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็จำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหมดสิ่งที่ว่าเคยมีก็ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยนะนะอย่างแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยนะวันก่อนไปที่อดีตเมืองโยโนกนครนะนะนะตอนนี้ก็เหลือแต่ชื่อว่าโยโนกตอนหลังมาก็ชื่อเมืองนั่นเมืองนี่ ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยนะเพราะมูซาทั้งหลายก็จําต้องละทิ้งทั้งหมด น, นะอีกห้าสิบปีของเราไม่เหลือแม้แต่เชื่ออยู่แถวนี้หรอกน่นะะนั้นโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทยอยละไปเรื่อยในที่สุดแม้แต่ชีวิตยังจะรักษาไม่ได้ถึงอย่างนั้นโลกก็ยังพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาแห่งตัหาตัหาเนี่ยนะไม่เคยอิ่มในการเห็น ไม่เคยอิ่มในการฟังไม่เคยอิ่มในการรู้กลิน่นไม่เคยอิ่มในการลิ้มรสไม่เคยอิ่มในการรับกระทบผลิัณฑ์ไม่อิ่มที่จะเนื้อคิดต่อไปมันสัตว์โลกนั้นพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นจริงตันหาเนี่ยมันเสี่ยมมันสอนให้เป็นผู้ที่กระหายอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้หอยหิวทางจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเป็นจิตวิญญาณที่หิวพันไปที่ไหนสังเกตดูมีแต่ไปขอ ในความที readers, ่ไปขอเนี time, our our ่ยประกาศถึงว่าผู Maybe. Maybe ้หิวเท่านั้นแหละที่ยังขอเนี่ยนะผู้ที่อิ่มแล้วไม่รู้จักขอไปทําไมอันนผู้ที่หิวในรูปก็ขอรูปผู้ที่หิวในเสียงก็ขอเสียงผู้ที่หิวในกลิ่นก็ขอกลิ่นผู้ที่หิวในปฐวีธาตุก็ไปขอปฐวีธาตุหิวอาโปก็ขออาโปหิวเตโชก็ขอเตโชสรุปว่าเป็นผู้ห้อยหิวในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในขันห้าเลยเหกัน โลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานอย่างตอนนี้ก็มีสงครามขึ้นเลยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาต้านทานได้เนี่ยนะเพราต้านทานบางทีต้านไปต้านมาหลบไปหลบมาก็มันระเบิดภายในเช้เองเลยนะมันสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรต้านทานพระองค์ก็กรุณาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่เร้นเขาจะไปหลีกไปเร้นอยู่ตรงไหนจึงจะพ้นจากความแก่และความตายทโลกสันนิวาตเหล่านี้ไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยนะ เอาอะไรเนาะเป็นที่พึ่งเพราะจิตใจของเขาเนี่ยเป็นไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเมื่อจิตใจเป็นไปกับสิ่งที่ไม่มีสาระเขาจึงขาดที่พึ่งขณะเดียวกันเขาหน้าสงสารเพราะเขาไม่เป็นที่พึ่งให้แก่ใครจริงๆเขาไม่ได้เป็นที่พึ่งของใครเขาก็พึ่งใครไม่ได้ใครก็เขาก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใครเพราะว่าเขาเนี่ยนากรุณาเนี่ยนะ จะน่าเหมือนกับไก่ในสุ่มเนี่ยนะมันก็ไม่รู้ว่าไก่ตัวไหนมันจะพึ่งตัวไหนเพราะทุกตัวมันก็คือไก่ในสุม่มที่ว่าเขาจะเอาไปเชือดเอาไปฆ่าเหมือนกับหมูที่อยู่ในรถที่เขาขนเอาไปฆ่าเนี่ยนะไม่รู้ว่าหมูตัวไหนจะเป็นที่พึ่งให้กก่หมูตัวไหนหรือควายทั้งหลายวัวทั้งหลายที่เขาขนเอาไปสู่โรงฆ่าสัตว์ ไม่รู้ตัวไหนจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวไหนพวกเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเป็นผู้ที่เดินไปสู่ชาติชรามรณะทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใครก็ไม่เป็นที่พึ่งให้เราเราก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ใครนั้นทุกคนก็น่าสงสารกันหมดในสายตาของพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันโลกคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านเป็นผู้ที่ไม่สงบเนี่ย ฟุ้งไปในรูปบ้างฟุ้งไปในเสียงในกลิ่นในรสฟุ้งไปด้วยไม่เชื่อนั่งนิ่งๆอย่าไปคิดเลยใจเอ๋ยอย่าไปฟุ้งเลยพอแล้วเนี่ยเนยมันเชื่อไหมเนี่ยเนี่ยไม่เชื่อหรอกวันนี้ขอนั่งสบายสักวันหนึ่งอย่าคิดมากเลยอย่าฟุง้งอย่าซ่านเลย ไม่ตรงกันข้ามนั่นแหละไม่ได้สมนาทีเราไม่เชื่อถ้าใครอยู่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ฟุฟ้งซ่านจริงอ่ะดูนลมหายใจเขาออกกําหนดนับไปเถอะนับได้ถึงร้อยหรือเปล่าเนี่ยนะบางทีนับไปนับมามันหายไปแล้ว น, นับถึงสิบก็หายไปแล้วคิดเรื่องอื่นเนี่ยนะไปจบเรื่องโน้นแล้วโอ้เรานับลมอยู่นะอะไรั่นก็ไปเรื่อย น, น, น, นโลกเนี่ยฟุ้งซ่านจริงๆเพราะในความที่โลกฟุ้งซ่านเนี่ยนะกายกรรมจึงกรรําเริบวจีกรรมจึงกรรําเริบมโนกรรมจึงกรรําเริบ สัตดไปหาบาปหากุศลโลกสันนิวาสนี่น่าสงสารเพราะมีลูกศอนเนี่ยนะถูกลูกศอนเป็นจํานวนมากเสียแทงแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะถอนลูกศอนทั้งหลายของสัตว์โลกหรือของโลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีเพราะถูกลูกสอนคือราคะนี่เสียดแทงลูกสอนคือโทสะเสียดแทงลูกศอนคือโมหะเสียดแทงลูกสอนคือมานะเสียแทงลูกสอนคือความสงสัยเสียดแทงลูกสอนคือความโศกเนี่ยเสียแทง มันถูกโลกสอนปักทิมแทงแนนะจะสามารถถอนได้อย่างไงใครอื่นนอกจากเราผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะถอนโลกสอนทั้งหลายของโลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีพระ อ, องค์ก็เจริญกรุณาต่อไปว่าโลกสันนิวาสเนี่ยมีความมืดเขือวิชาปิดกั้นไว้ถูกใส่เข้าไปยังกรงกิเลสใครอื่นนอกจากเราซึ่งจะแสดงธรรมเป็นแสงสว่างแก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มี มันทุกคนนี่อยู่ในกรงกันทั้งนั้นเลยนะกรงคือราคามันล้อมเอาไว้กรงคือโทสะอยู่ในกรงคือโมหะมันซ้อนกันไม่รู้กี่ซ้อนกี่ซ้อนเนี่ยนะว่ากรงคือบาปกรงคืออกุศลกรงคือความชั่วทั้งหลายเนี่ยกรงคือความเศร้ามองทางความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณเนี่ยนะใครนาะจะแสดงทําให้แสงสว่างให้มันพ้นจากกรงกรงแห่งความทุกกรงแห่งความลําบากเหล่านั้นเนี่ยไม่มีรอกพระองค์กรุณาอีกว่าสัต โลกสันนิวาสเนี่ยตกอยู่ในอำนาจอวิชชาเป็นผู้ที่มืดอนอวิชชาหุ้มห่อเอาไว้เนี่ยนะมืดเนี่ยนะไม่รู้ความจริงเลยไม่รู้ว่านี้ทุกนี้สมุทายนี้นี้โรดนี้มรรคไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้อะไรเป็นเหตุแห่งศกอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้สักอย่างเลยนะ ก็ถามด้วยอำนาจคนเหมือนกับว่าคนตาบอดเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่สูงตรงไหนที่ต่ําสีไหนสีดําสีขาวเนี่ยนะไม่รู้ซักอย่างเนะี่ยนะโยมเขาเล่าว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งขออเขาบอกเมียเขาเนี่สวยมากแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นมออาก่อนกันเขาไปซื้อผ้ามาบอกผ้านี้งามมากนะะสีสีอย่างที่เขาว่านะแต่มันไม่ใช่สีเขาว่าเพราะเขาตาบอดเนี่ยนะซึ่งก็โอ้ยเหมือนในายมาคันธิยาสูตรเป๊ะเลยนะ คนตาบอดเนี่ยแต่กําเนิดมันจะสำคัญผิดนั้นคนที่มีอวิชชาหุ้มห่อเกิดมาไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักอริยสัจธรรมไม่รู้จักความจริงที่ที่สามารถทําให้เป็นพระอริยะได้ <c oughs> ก็มีอวิชชาเนี่ยเป็นหัวหน้ามีอวิชชานี่ยาไปจึงทําที่ไปสิ่งที่มันยุ่งเนี่ยนะทำได้ยุ่งยิ่งเครียกว่าเขาแก้ปัญหายิ่งเพิ่มปัญหา ถ้าใครรู้จักคนมากๆเนี่ยนะแล้วก็เข้าใจโ ค, โครงสร้างของงานดีเนี่ยนะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจะไปแก้ปัญหาคือไปสร้างปัญหาเพิ่มไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยมันไปทําซะเสียหายหมดเนี่ยนะไม่เชื่อคอมเสียแล้วให้ชาวบ้านมาช่วยซ่อมดูสิเนี่ยนะมันยิ่งจะเสียหนักกว่าเก่าเนี่ยนะเพราะไอ้คนไม่รู้เนี่ยนะมันแทนที่จะแก้มันกลายเป็นไปสร้างสร้างสร้างมีแต่สร้า ง, ม, างมีแต่ยุง่งเพราะนันก็เลยพัวพันกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนงนางดั ง, ง, งยาบล่องญ้าบมงกระตาย เสร็จที่เหมือนกันไปหมดก็คือไม่ล่วงพ้นขันธาตุอายตนะไม่ได้หลุดพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเลยทําไปทํามายุ่งก็มากกว่าเดิมนเนี่ยนะแมลงทั้งหลายเดรัจฉานทั้งหลายก็เยอะไปหมดนเนี่ยนะยิ่งทําไปยิ่งทํากันไปยิ่งทํากันมาก็พากันไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคงตายไปเยอะนี่เมื่อตายไปเยอะเนี่ยใครจะไปสวรรค์จะมีสักกี่คนเพราะอยู่ด้วยอํานาจราคะบังอยู่ด้วยอํานาจ โทสะอยู่ด้วยอํานาจโมหะและอยู่ด้วยอํานาจของทิฏฐิทั้งหลายเขาจะไปไหนกันเนาะมันตายด้วยความทุกข์ความทรมานมันโดยมากก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่แก่งแย่งชิงดีแข่งฆ่ากันก็ไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยการเข่นการฆ่าต่อไปไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเบียดเบียนเนี่ยนะพระองค์ก็ยังสงสารในเขาเหล่านั้นแต่เขานี่ไม่เคยสงสารตัวเองเลยมันหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ ขาด ก, า ร, าาดการุณาต่อตัวเองเมื่อขาดกรุณาต่อตัวเองเนี่ยนะเหมือนกับเป็นคนแช่งตัวเองทําแต่ความชั่วให้แก่ตัวเองอย่างบางคนเขาบอกว่าแก้ปัญหาเนี่ยนะต้องไปฆ่าเขาปัญหาตัวนี้จึงจะแก้ได้เขาไม่รู้หรอกเขาเนี่ยวางแผนฆ่าตัวเองอีกหลายร้อยชาตินะเขาวางแผนว่าจะต้องไปริบซ like ัพย์ของเขาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะถูกริบทรัพย์อีกกี่ร้อยชาติมั้นการกระทําของเขาเนี่ยเป็นการกระทําเพื่อทําลายตัวเองในอนาคตทั้งนั้นเลย เพราะเขาไม่มีกรรมสกตาปัญญาเขาไม่มีวิชาไม่มีความรู้ไม่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะก็เลยยิ่งทําไปก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะมันใครเนาะจะสงสารเขาเนี่ยนะใครเนาะจะเปิดเผยให้เขาได้รับแสงสว่างสิ่งนี้แหละคือตัวที่กระตุ้นทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็จเจริญกรุณาต่อไปในว่า โลกสันนิวา่าถูกอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาที่มีโทษแล้วก็โทษที่เป็นพิษด้วยนะชาบทาติดแน่นไปหมดเลยนะมันถูกพิษคืออวิชชาเนี่ยมันเคลือบมันฉาบทาเอาไว้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีกิเลสเนี่ยเป็นโทษเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยเศร้าหมองเพียงใดเขาเศร้าหมองเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าอยู่ในกลุ่มเวทวงคนเศร้าหมองด้วยกันเนี่ยนะอย่างสมมติว่าคนดำเนี่ยอยู่กับคนดําด้วยกันมองไม่ออกนะ แต่ถ้าเมื่อใดที่เข้าไปอยู่ในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเมื่อไหร่ก็เริ่มเริ่มเห็นชัดมันเราทั้งหลายเนี่ยนะพูดเศร้ามองด้วยราคะเศร้ามองด้วยโทสะเศร้ามองด้วยโมหะเศร้ามองด้วยบาปอากุศลถ้าไปนั่งใกล้กับผู้ที่เป็นพาหันจะขนาดไหนนะมันจะดำจะเขามันจะสายจะเห็นชัดเจนเลยนะเพมัะแต่ก็ไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าอยู่ในเมืองคนตาหลิวตาเล่เหมือนกันไปหมดอยู่ในโลกแห่งความเศร้ามองเหมือนกันหมดอยู่ในโลกแห่งความชิงดีชิงเด่นเหมือนกันหมด ทุกคนเศร้ามองก็เลยมองกันไม่ออกพระพุทธเจ้าท่านก็กรุณาโลกสันนิวาตรกชัดด้วยราคะเนี่ยนะถูกมีคนละหลายลหลายป่าด้วยกันนะป่าคือราคะคือมันรกชัดอ่ะนะเคยเห็นกอไผ่ไหมกอภัยที่มันรกชัดฉั้นใดแต่ละคนเนี่ยราคะก็รกชัดขนาดนั้นรกชัดด้วยโทสะบ้างเนี่ยนะโทสะนี่ก็โอ้ไม่ได้เบาบางเลยรกชัดด้วยโมหะคือความโง่ความเคล้า ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยสางรกชัดให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีใครน้อจะช่วยเขาเนี่ยนะใครจะช่วยสะสางปัญหาภายในของเขาสะสางราคะให้เขาเขาจะได้พ้นทุกสะสางโทสะให้เขาเขาจะได้พ้นทุก์ใครน้อจะสะสางโมหะให้แก่เขาเขาจะได้พ้นทุก์เพราะฉะนั้นนอกจากเราผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีหรอกที่จะช่วยสางรกชัดให้แก่โลกสันนิวาส พหมูสัตว์ทั้งหลายยิ่งทําไปยิ่งราคายิ่งเพิ่มยิ่งทํายิ่งโทสะเพิ่มยิ่งทํายิ่งโมหะเพิ่มเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารที่เป็นไปด้วยราคะโทสะและโมหะก็เต็มไปด้วยบาปอกุศลพงกรุณาอีกว่าโลกสันนิว่าถูกกองตันหานิสสวมเอาไว้เนี่ยนี่ก็ถูกกองตันหาสวมเอาไว้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครที่เคยดักสัตว์เนี่ยจะเห็นว่า เวลาสัตว์เนี่ยมันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยนะจะไปถูกบ่วงถูกบ่วงสวมอาไว้แล้วก็ตวัดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะกระตายนั่นนะสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนะเข้าไปสู่กับดักคือตันหาตันหาก็ดักปลายดักให้ลงไปสู่อัปปายทุ ก, กติวินิบาสนรกนั่นแหละองค์กรุไนกว่าโลกสันนิวาสเนี่ยถูกไขคือตันหาครอบเอาไว้ถ้าเป็นเหมือนกับปลาเนี่ยนะไขตะไขที่เขาดักปลาเนี่ยปลาจะวิ่งไปทางไหนก็ถูกไข ตะข่ายนี่ก็ครอบเหมือนกับว่าถูกแหเนี่ยนะถูกแหเนี่ยครอบอยู่ตลอดเวลาถูกร่างแหคือบาปราคะโทสะเป็นต้นเนี่ยนะครอบคลุมอยู่ตลอดปองกรุณาว่าโลกสั์นี้ว่าถูกกระแสตันหาพาไปไ น, นะนะไปตามอํานาจของตันหาจริงๆอย่างบอกจริงนะว่าสัตว์ที่ไปที่ใดเนี่ยนะตันหาพาไปทั้งนั้นเลย น, นะนะตันหานี่มันฉุดออกไปมันฉุดพาไป พาไปเหนือพาล่องใต้พาไปพบสูงพบต่ำพบน้อยพบใหญ่เนี่ยนะตัณหานั่นแหละมันพาไปไปเพื่อจะชมรูปชมเสียงชมกลิ่นชมรสชมโพธิภพชมธรรมรมมันก็เลยกระแสคือตัณหาพาพาไปองคกรุณาวโลกสันนิวาตเนี่ยถูกตัณหาเป็นเครื่องคล้องคล้องเอาไว้ก็ต้องนึกถึงว่าใครที่เคยเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะเลี้ยงสุนัข ก, ก็สุนัขถูกล่ามโซพาดึงไป เลี้ยงควายก็มีเชือกจูงควายไปฉันใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ถูกตันหาเนี่ยคล้องดึงจมูกนะดึงตาไปถูกนะนะดึงหูไปดึงจมูกดึงลิ้นดึงร่างกายดึงใจพา้าไปคิดเรื่องราวต่างๆก็ถูกตันหานี่แหละเป็นตัวคล้องคล้องเอาไว้ <c oughs> โลกสันนิวาสสร้างนไปเพราะตันหานุใสเนี่ยนะนะตันหาคือตันหาที่มันมีกําลังแรงกล้า ม, มาก ทำให้เขาซ่านอยู่ตลอดเวลามันมันจนสงบไม่ได้นะมันร้อนรนกรวนก歪มันมันเร่าร้อนจริงจริ ง, รงะนะเพราะตัณหามันมีกำลังมากทําให้มันซ่านไปทางกายทางวาจาและทางใจทางยืนเดินนั่งนอนพ่าไปล ะ, ะองคกรุณาว่าสัตว์โลกหรือโลกสันนิวาสเนี่ยเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตัณหาเดือดร้อนจริงๆนะเพราะตัณหาเนี่ยมันทาให้อยู่สงบไม่ได้เลยนะ มันถ้าที่ใดตันหามากๆเนี่ยที่นั่นเนี่ยร้อนรนกรวกนกวยนังเกตดูะนะถ้าเรามีตันหาคนหนึ่งก็ร้อนรนกวนก歪ถ้าม่คนมีตันหามารวมรวมกันสองคนสามคนสี่คนสิบคนร้อยคนพันคนเนี่ยนะมันเดือดร้อนไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะแต่ละคนมันมีแต่การร้องเรียกมีแต่การเรียกหามีแต่การทวงเนี่ยนะมันทุกคนก็จะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะเอ า, เอาแล้วใครจะให้เนี่ยนะมันตันหานี่มันทําให้พาเดือดร้อนไปหมดมันโลกสันนิวาสเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะตันหา พลาดเงินไปหมดเลยพระองค์กรุณาว่าเขาเนี่ยถูกกองทิฏฐิเนี่ยสวมเอาไว้คือถูกทิฏฐิทั้งสกายาทิฏฐิทิฏฐิศัสนะทิฏฐิอุเชตทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยสวมเอาไว้โลกสันนิว่าถูกตาข่ายทิฏฐิเนี่ยครอบเอาไว้เหมือนถูกแขกคือมิจฉาทิฏฐิครอบคลุมเขาเอาไว้แล้วก็ถูกกระแสทิฏฐิเนี่ยพัดไปเนี่ยนะพัดจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งไปด้วยอํานาจของมิจฉาทิฏฐิก็ไป โลกสันนิวาสถูกมิจฉาทิฐิเป็นเครื่องคล้องคล้องเอาไว้โลกสันนิวาตสร้านไปเพราะทิฏฐานุสัยเพราะแรงแห่งมิจฉาทิฐิที่มีกําลังเนี่ยนะมันพาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยนะเพราพวกลัทธิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะแรงของมิจฉาทิฐิมันที่มันมีเรี่ยวแรงมีพะละงกาลังมากเนี่ยพาเขาเนี่ยซ้านไปเรื่ อ, อยโลกสันนิวาตเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะ ทิฐิอย่างการเข็นการฆ่ากันเนี่ยนะครับทุกวันหนึ่งส่วนหนึ่งสงครามหนึ่งเบื้องหลังอันหนึ่งคือมิจฉาทิฏฐิเป็นเบื้องหลังเนี่ยนะมันมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันทําให้เดือดร้อนทุกยหย่อมหญ้าไปหมดเลยมันต้องเที่ยวเข็นเที่ยวฆ่าผู้อื่นที่ไม่ได้มีทิฐิเหมือนตนถ้าผู้ใดไม่มีทิฐิเหมือนตนเขาสมควรตายะนั้นก็เลยทําให้มันเดือดร้อนไปหมดหน้ากรุณาว่าสัตว์โลกเนี่ยเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิเนี่ยนะ องเจริญกรุณาว่าโลกสันนิวาสไปตามชาติเนี่ยนะคิดง่ายๆว่าทุกคนเนี่ยไปหาที่เกิดใหม่หมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าพวกสัมภเวสีหาที่ปฏิสนธิหาไปเรื่อยปฏิสนธิจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งหาที่เกิดเนี่ยนะหาที่เกิดตรงพวกไปหาที่เกิดในคันบ้างบางพวกไปหาที่เกิดในไข่บางพวกก็ไปหาที่เกิดในเท้าใครบางพวกก็ไปหาที่เกิดใน เป็นโอปปาติกะบางพวกก็พาไปหาที่เกิดในนรกบางทีก็ไปหาที่เกิดในเปรตบางพวกก็หาที่เกิดในหมูเดราชาทั้งหลายบางพวกก็ไปหาที่เกิดเป็นมนุษย์นหาเป็นมนุษย์หาแม่หาแม่โดยประการต่างๆก็เที่ยวหาที่เกิดจากคันสูคันไปนั่นแหละแล้ก็น่าการุณาเขาไม่รู้เราว่าเขาจะต้องไปผุดไปเกิดที่ไหนอีกเนาะ ทีนี้เมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็กรุณาว่าโลกสันดิว่าสมสารไปเพราะชราเนี่ยนะชราก็เล่นซะสับักสบอมไปหมดเลยเนี่ยนะก็คิดดูนะยิ่งดูแลร่างกายของเราเนี่ยยิ่งดูแลยิ่งสับักสบอมเนี่ยนะยิ่งสมสานไปหมดหนักๆเข้าก็จะเดินไม่ไหวแทบจะคลานขึ้นนะจากเคยเดินได้ดีๆก็เดินได้ไม่ดีแล้วเคยผุดลุกพุดนั่งสบายๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยสมสารไปเพราะชรานะ ขณะเดียวกันก็ยังไม่พอเขาหน้ากรุณาเพราะเขาถูกพยาธิครอบงำถูกพยาธิคือตาครอบงำตาโรคหูครอบงำหูโรคจมูกครอบงำจมูกโรคคอครอบงำคอโรคกายครอบงำกายโรคฟันครอบงำฟันโรคปวศีรษะครอบงำศีรษะเนี่ยนะโรคตับครอบงำตับโรคไตโรคปอโรคเอ่อขอเนี่ยนะโรคมะเร็งโรคเอททั้งหลายแหละเนี่ยก็ครอบงำย่ำยีทั้นเขาเนี่ยถูกพยาธิครอบงำ มันตรงไหนถูกครอบก็ไม่ไม่ได้มีอํานาจอะไรเนี่ยนะไม่ได้เป็นอํานาจเลยอย่างเนี้ยบางคนถูกครอบโดยเอามาพลึกเอามาพลากเป็นต้นเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะโลกสันนิวาสเนี่ยนะชาติพามาเอ่อชาติติดตามชระสมสารไปเพราะชราพญาที่ครอบงำในที่สุดมรณะก็ห้ามหันเนี่ยนะมรณะก็เลือกเชือ้อเลือกประหาร น, น, นะนะเลือกเข็มเลือกข่า บางพวกก็ถูกฆ่าที่คอถูกทิ่มที่คอถูกห อ, อกทิ่มที่คอก็แล้วแต่ว่าอะไรเนี่ยมันจะตกถูกตรงไหนสรุปว่ามรณะนี่ห้าพั่นนะนะขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่กระดูกกระจัดกระจายเรี่ยายทั่วไปหมดนะโลกสันนิวา่าตกอยู่ในกองทุกเนี่ยนะทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจนะมีแต่ความทุกเนี่ยนะมีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะนะไปหาทุกข์รนหาทุกข์ทุกทุกอยู่นั่นแหละ มันโลกสันนิว่าถูกตันหาเนี่ยดักเอาไว้ไปตรงไหนก็ถูกแต่วางไว้ด้วยอำนาจตันหาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตาเนี่ยรูปปัตนหาสร้างหูก็สัทธตันหาสร้างจมูกก็คันท่าตันหามันสร้างขึ้นลิ้นก็รัศฐาตันหามันสร้างขึ้นกายก็โพธิภพตันหาสร้างขึ้นใจก็ธรรมะตันหาเนี่ยสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสที่ใดก็ถูกตันหาดักเอาไว้ทุกหนทุกแห่งไปหมด ีนตัดะนะเขาหน้ากรุณาว่าเขาเนี่ยถูกกำแพงคือชราวแวดล้อมไปที่ไหนก็ไม่ได้พ้นความแก่ยิ่งไปเร็วเท่าไหร่ก็ไม่ได้พ้นจากความแก่เลยก็เดินทางไปสู่ความแก่แก่เนี่ยนะแวดล้อมอยู่ตลอดเขาหน้ากรุณาว่าเขาเนี่ยถูกบ่วงมัจจุเนี่ยคล้องเอาไว้ ค, คือคือทุกหนทุกแห่งเนี่ยมันเป็นแดนประหารศักด์ทั้งหมดเลย ที่ไหนมั่งที่สัตว์ไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกบ่วงคือความตายเนี่ยคล้องเอาไว้พระองค์เจริญกรุณาไปในหมู่สัตว์อีกว่าโลกสัตว์นี้ว่าถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากถูกผูกด้วยราคะพาไปถูกผูกด้วยโทสะบ้างถูกผูกไว้ด้วยโมหะถูกผูกด้วยมานะถูกผูกด้วยมิจฉาทิฐิถูกผิดด้วยความเศร้ามองทางร่างกายและจิตใจถูกผูกไว้ด้วยความผิดทางกายวาจาและใจ ใครอื่นนะนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสรรในว่าเป็นไม่มีใครนะจะแก้ราคะในใจเราได้ใครนะจะแก้โทสะคือแก้ความไม่สบายใจในในใจเราได้ใครนะจะแก้ความลุ่มความหลงความงมงายของเราได้ใครนะจะแก้ความเย่อหยิ่งความจองห้องความพยองของเราได้ใครนะจะแก้ไม่ให้เรารกชัดด้วยมิจฉาทิฐิใครนะจะแก้ความ และทําให้จิตไม่เศร้าหมองต่อไปใครนะ่าจะแก้เครื่องผูกให้เราเลิกทําความชั่วทางกายวาจาและใจมันถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายกรุณาตัวเองอย่างนี้บ้างก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นี้กรุณาต่อสัตว์ที่ประสงค์จะช่วยแก้เครื่องผูกคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสความชั่วทางกายวาจาและใจให้แก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์กรุณาต่อสัตว์ว่าโลกสันนิวาตเนี่ยเดินไปตามทางแคบมาก ใครอื่นนอกจากเราพูดจะช่วยชี้ทางสว่างให้แก่โลกสัรเนิว่านั้นเป็นไม่มีทางแคบไปทางไหนก็ทางไปสู่อบายทุกติวินิบาทนรกเนี่ยนะจริงๆมันแคบมากซึ่งไม่เหมือนกับทางโล่งคือทางประกอบไปด้วยองแปดแต่เนื่องจากเข้าไม่รู้จักทางก็เลยยอมเดินแต่ทางแคบเนี่ยนะเดินแต่ทางบาปเดินแต่ทางอกุศลเขาไม่รู้หรากว่าทางคือมักมีองแปดนี่เป็นทางที่โล่งจริงๆเนี่ยนะเป็นทางที่ราบเรียบเป็นทางที่เสมอ เป็นทางที่ผู้ใดเดินแล้วถึงความพ้นทุกข์เดินไม่ยากหรอกถ้าเทียบกับทางที่จะต้องเดินไปในวัตตักเนี่ยนะปฏิบัติธรรมมันไม่ได้หนักเท่ากับเข้าสงครามหรอกอย่างเช่นมาบวชมาศึกษาแล่าเรียนพระธรรมวินยัยก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่ากับผู้ที่ศึกษาวิชาทหารไปไปรบไปราฆ่าฟันอะไรหรอกแต่เนื่องจากว่าไอ้ทางนี้ทางโล่งก็ก็ไม่เอายอมไปเดินในทางแคบเนนะ โลกสันนิวาตเนี่ยนะหน้ากรุณาว่าถูกความกังวลเป็นอันมากพัวพันเอาไว้เนี่ยนะกังวลเรื่องไม่ควรกังวลเนี่ยนะกังวลสารพัดทุกหนทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งความกังวลใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยตัดความกังวลให้แก่โลกรสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีอย่างกังวลในเรื่องรูปเนี่ยนะใครจะตัดความกังวลใจให้เราได้กังวลในเรื่องเสียงใครจะตัดความกังวลใจให้เราได้ กังวลในเรื่องการเป็นอยู่กังวลในการครองชีพกังวลในการดำเนินชีวิตกังวลในพบนี้พบหน้ากังวลในสังสารวัตเพราะทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกังวลใครจะช่วยตัดความกังวลให้แก่เขาได้โลกสันนิวาตเนี่ยตกลงไปในเหวใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาตให้ขึ้นพ้นจากเหวนั้นเป็นไม่มี ตกลงไปในเหวคืออะไรคือชาติเหวคือชาติชรามรณาเนี่ยนะมันก็ตกลงไปในเหวเนี่ยเหวลึกขนาดไหนก็ตกบางทีก็ตกลงเมืองบาดาลเป็นปฏิสนธิเป็นพญานาคเป็นต้นเนี่ยนะตกไปในเหวในภูเขาไปตกในซอกเขาลงไปลึกๆขนาดไหนเดระชันก็ยังมีเนี่ยนะเพราะนั่นคือการที่เขาตกลงไปในเหวคือสังสารวัตตกลงไปในเหวคือบางทีก็เหวคือนรกเนี่ยมันลึกเป็นร้อยๆยอดก็ตกลงไปกันตกลไปในเปรตอสุรกายเดระชันก็ตกไป อันเขานี่ยน่ากรุณาจริงๆโลกสันนิวาตเดินไปทําทางกันดานมากกันดานด้วยอะไรกันดานด้วยเนี่ยกันดานด้วยชาติเขาเกิดมาแล้วเนี่ยกันดานด้วยอาหารกันดานด้วยการครองชีพกันดานด้วยโจรผู้ร้ายกันดานด้วยปัญหาสารพัดมีแต่เรื่องเล่าร้อนมีแต่เรื่องเดือดร้อนใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาตข้ามพ้นจากทางกันดานได้เป็นไม่มีนะ ยิ่งถ้าใครนึกว่าอยากจะจ่าทิกไปทุ่งงหน้านี้ด้วยนะโอ้ยเดินทางกันดานชัดๆเลยนะกันดานน้าก็กันดานที่อยู่อาศัยก็กันดานเลยนะเดินไปพักหนึ่งก็ลมพายุพัดจะเสียหายบางทีก็ไปเจอขจรขโมยเป็นต้นมีแต่เรื่องเดือดร้อนนั้นสังสารวัตรเนี่ยเดินไปด้วยทางกันดานจริงๆนะถ้าใครไปทะเลทรายแถวตะวันออกกลางนี่มหาการานเลยนะยิ่งการานยิ่งกว่ากันดรานอีกนะเพราะว่าไม่ใช่หลบทะเลทรายอย่างเดียวก็ต้องหลบลูกปืนเป็นต้นด้วย มันมันเดือดร้อนจริงๆเลยนะีกันดารจริงๆกันดารด้วยอาหารอดอยากหิวโหยด้วยความเดือดร้อนความเร่าร้อนพระองค์เจริญกรุณาในสัตว์ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยนะเดินไปในสังสารวัฏใหญ่คือเดินเพื่อจะบริหารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ใหญ่มากๆใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาสพ้นจากสังสารวัฏได้เป็นไม่มี ใครน้าจะช่วยให้พ้นรูปพ้นเวทนาพ้นสัญญาพ้นสังขารพ้นวิญญาณใครจะช่วยทําให้พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใครจะช่วยพ้นจากปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุใครน้าจะช่วยให้พ้นจากปัทวีธาตุได้ช่วยให้พ้นจากอาโปเตโชวาโยให้พ้นจากธาตุหพ้นจากธาตุสิโลกสันนิวาต ลิงเกลือกอยู่ในหลมใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาตนั้นให้พ้นจากหลมได้เป็นไม่มีนะก็เหมือนกับใครตกไปในคโคลนตกไปในตมเนี่ยนะมีอยู่พระรูปหนึ่งท่านไปบินทบาทแล้วก็ตกไปในหลมเนี่ยแลลึกมากเลยเป็นใครเนาะจะช่วยให้เขาแต่ทีนี้ว่าหลมหลมตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าหลมคือสังสารวัตรเนี่ยเป็นหลมที่ใหญ่ที่เป็นปลักที่ใหญ่มากยากที่ใครจะหลุดได้ โลกสรรันนิวาตติดอยู่ในเปลือกตมอันกว้างใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสรรันนิวาตนั้นให้พ้นจากเปลือกตมได้เป็นไม่มีเปลือกตมคือการมมรคห้าเนี่ยนะอันตกไปในรูปเสวยก็ยากที่จะฉุดออกมาได้ตกไปในเสียงที่ตัวเองพอใจก็ยากที่จะฉุดออกมาตกไปในกลิ่นที่ตัวเองพอใจก็ยากที่จะฉุดออกมาตกไปในรสในโพธาภะตกในสถานที่ที่ตัวเองต้องการยากนักที่จะช่วยฉุดออกมา ะนะไม่เชื่อก็ลองไปตามลูกตามหลานที่กําลังติดอยู่ในแท็กอะไรเป็นต้นเนี่ยนะไปเที่ยว ง, งานต่างๆเนี่ยไปดึงไปเรียกกลับมาเนี่ยไม่มีทางอ่ะนะติดโอ้ติดไปในเปลือกตมเหล่านั้นยากที่จะหลุดออกมาพองค์เจริญกรุณาวันโลกสันนิวาสร้อนอยู่บนเครื่องร้อนเป็นอันมากถูกความร้อนคือโทสะมันย่างเผาเนี่ยนะถูกความร้อนคือไฟคือโทสะมันย่างมันเผาถูกความร้อนคือคือโมหะเนี่ยไฟเผาอยู่นั่นแหละ ชาชรามรณะโศกะัะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็ครอบงาเผาย่างเขาอยู่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟทั้งส1บ็กองเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาสได้เป็นไม่มนะีทุกคนก็เล่าร้อนเนี่ยนะราคะาก็เผาโทสะก็เผาโมหะก็เผากเกิดแก่เจ็บตายเนี้ยวก็เสียใจพี่ไรรำพันเดียวก็ทุกข์ใเยก็เสียใจครับแค้นใจลำบากใจอยู่นั่นแล พอองษ์เจริญกรุณาว่าโลกสันนิวาสเนี่ยทุรนทุรายเดือดร้อนเป็นนิรหมายคือว่ามีปกติเดือดร้อนเล่าร้อนทุรนทุรายกวนกวายลองไปคุยกับใครดูว่าโอ้ยทําไมคุณมีความสุขจริงเลยเนี่ยหายากไปไปเจอคนเดือดร้อนไปเจอไปปรึกษากับคนเดือดร้อนไปฟังคนเดือดร้อนพูด คนก็เดือดร้อนเรื่องลูกบางอีกคนเดือดร้อนเรื่องล้านอีกคนเดือดร้อนเรื่องทํางานบางคนเดือดร้อนเรื่องสุขภาพบางคนเดือดร้อนเรื่องบางทีไปเดือดร้อนเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะครับสงครามทำสงครามคนละประเทศก็ไปเดือดร้อนกับเขาอย้่นั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกนี้มีทุกอย่างเดือดร้อนไปหมดเลยซ่าแต่ความเดือดร้อนเร่าร้อนขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนเป็นปกติไม่มีอะไรต้านทานเสร็จแล้วเขาต้องได้รับอาดยาเพราะเขาทําความชั่วด้วยกายวาจาและใจ เพราะฉะนั้นเขาจะต้องรับความชั่วเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเองเขาต้องทําตามอาทยาคือต้องรับในสิ่งที่เขาก็ทําสิ่งใดก็ตามที่เขาได้ทําไว้ในะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเขาเขาก็ต้องรับขณะเดียวกันเขาก็ทํากรรมเพื่อให้รับต่อไปในภายภาคหน้ามั้นเขาต้องรับอาทยาเนี่ยนะแล้วก็ต้องทําตามอาทยาอาทยามีอยู่สองอย่างอาทยาของโลกกับอาทยาของวัตตะเนี่ยนะ บางคนที่ทําความชั่วตอนนี้ก็เข้าคุกเข้าตารางเพราะค้ายาเสพติดเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องทําตามรับความชั่วที่ตัวเองทํามาแล้วก็ขณะเดียวกันนี้โลกอยู่ในโลกนี้อยู่ในชาตินี้ยังเร่าร้อนเดือดร้อนขนาดนี้โลกต่อไปชาติต่อไปเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนเนาะเนี่ยเขาไม่สงสารตัวเขาเองหรืออย่างไรนาะว่าเขานี่แหละเป็นผู้ที่มีมีทุกข์เป็นเป็นไปในเบื้องหน้าเดินไปหากองทุกข์จริงๆ องค์กรุณาว่าโลกสันนิาตถูกผูกได้เครื่องผูกในวัตตะปรากฏอยู่ที่ตะแลงแกงเพราะทุกคนกําลังอยู่ในลานประหารเนี่ยนะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยโลกสันนิวตนั้นให้หลุดพ้นได้เป็นไม่มียิ่งอยู่บนถนนด้วย น, นะครับเนี่ยบนถนนนี่คือลานประหารชีวิตชัดๆตรงไหนมีพ่นสเปรย์สีเขีาวเขาเนี่ยตรงนั้นอะคือที่ประหารนะทุกแห่งเนี่ยมันเป็นที่ประหารชีวิตหมดมั้นปรากฏอยู่ที่หลักประหารชีวิตกันหมด เนี่ยนะมันมูสัตว์นี่เป็นอย่างนี้แม้กระทั่งอยู่บนเตียงที่งดงามที่นั่นก็คือลานประหารเพราะว่าบางคนเนี่ยหลับไปแล้วไม่ได้ตื่นก็มีนเนี่ยนะเพราะทุกคนทุกแห่งถือว่าเป็นลานประหารเข้าห้องน้ำอ่ะห้องน้ําแหละตัวดีนเนี่ยนะห้องน้ำนี่คือลานประหารคนชรา ม, มาไม่ใช่น้อยมันทุกคนทุกแห่งเนี่ยนะคือลานประหารนั่นอาน้าวหนีไปอยู่โรงพยาบาลที่นั่นแหละตายมากกว่าที่อื่นเนี่ยนะมันทุกคนทุกแห่งก็เป็นที่หมูสัตมนี่ตายทั้งนั้นแหละ อ, องค์กรุณาว่าโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งควรได้รับความการุณาควรได้รับความบําบัดความทุกขอย่างยิ่งใครอื่นนอกจากเราจะช่วยต้านทานให้แก่โลกสันนิวาตเป็นไม่มีใครนะจะไปช่วยป้องกันไปช่วยเป็นที่พึ่งให้แก่เขาแต่เขาจะพ้นได้ก็ต้องบอกพุทธังสารนังฆะาชามิเป็นต้นนั่นแหละเขาจึงจะพ้นถ้าหากว่าเขาไม่ไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานเป็นเกาะเป็นที่ป้องกันเนี่ยนะ ยากคือเป็นไปไม่ได้โลกสันนิวาสถูกทุกเสียบแทงบีบคั้นมานานเนี่ยนะมันทุกคนเนี่ยร่ำรวยด้วยความทุกข์เพราะชีวิตที่ผ่านมานี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบากชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะที่รู้จักคนมีความสุขตั้งแต่เกิดมามีอยู่ไม่กี่คนที่เหลือนี่ฟังแต่เรื่องคนมีความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะไม่ทุกกายก็ทุกใจไม่ทุกใจก็ทุกเรื่องการครองชีพเรื่องการทํามาหากินอู้ทุกคนนี่เป็นมหาเศรษฐีมาทั้งนั้น่นะ เป็นผู้มีความทุกข์มามากไม่ยากจนในเรื่องของความทุกข์ถูกทุกเสียบแทงแล้วก็ร่างกายของเขาตรงไหนม้างไม่เคยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เข้าไปที่ไหนแล้วเขาไม่ทุกข์กลับมาไม่มีเนี่ยนะไปทุกข์ไปเดือดร้อนไปเลร้อนโลกสันนิวาติดใจกระหายอยู่เป็นนิดเป็นกระหายจริงๆเลยนะเป็นโลกที่พร้อมที่จะยื้อแย่งกันเนี่ยนะอยู่นิ่งๆจริงแต่ว่าพร้อมที่จะยือ้อพร้อมที่จะแย่งพร้อมที่จะทะเลาะเนี่ยนะคือประดุด คล้ายๆกับหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันพร้อมที่จะกัดกันจริงๆเลยถ้ามีเหยื่อมาวางตรงกลางพร้อมที่จะทะเลาะกันพี่น้องรักกันดีๆพอมีทรัพย์สินขึ้นมาก็พร้อมที่จะทะเลาะกันเพื่อนสนิทรักกันอยู่ดีๆพอมีอีกคนเข้ามาปั๊บก็พร้อมที่จะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะทะเลาะพร้อมที่จะแก่งแย่งพร้อมที่จะชิงดีชิงเด่นกันในทุกเรื่องเนี่ยนะมันทุกคนเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่กระหายอยู่ตลอดเวลา โลกสันนิวาสเป็นโลกบอดเป็นโลกที่ไม่มีตาปัญญาไม่มีตาปัญญาพอที่จะทำมาหากินในชาตินี้บางคนเนี่ยมืดจริงๆเลยไม่รู้จะหาช่องทางทำมาหากินโลกนี้ได้ยังไงนั้นบางคนเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงในชาติหน้าเขาเรียกว่าถ้าใครที่มองการครองชีพในโลกนี้ออกเขาเรียกว่ามีตาข้างเดียวใครที่โลกปัญหาโลกนี้ ก, ก, ก็มองไม่ออกการครองชีพก็มองไม่ออกโลกหน้าก็นึกไม่ได้พวกนี้เาเรียกว่าบอดทั้งสองข้าง บางคนเนี่ยตาบอดข้างเดียวบางคนตาบอดสองข้างแต่รวมๆโดยมากก็เป็นผู้ที่มีตาบอดคือตาปัญญาตาปัญญากรรมสกตาปัญญาเป็นต้นเนี่ยบอดสนิทโลกสันนิวาสน่าสงสารคือมีในตาเนี่ยเสื่อมไปเนี่ยนะตาเสื่อมทีนี้คนตาบอดคนตาเสื่อมก็คือบอดตาใสแล้วไม่มีใครจูงไปเนี่ยนะจะเป็นยังไง ลเป็นลูกกําพาที่ตาตาเสื่อมเนี่ยนะดูภายนอกเหมือนคนตาดีแล้วไม่มีใครพาไปไม่มีผู้นำไม่มีผู้ที่นำหน้าไปนะมันพระองค์เป็นผู้นาอันนะเป็นผู้นำให้เขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจพระองค์กรุณาในศาสตร์ว่าโลกสันนิวาเนี่ยเล่นไปสู่ทางผิดหลงทางแล้วอนนะเดินไปสู่ทางผิดก็คือทางอันประกอบด้วยมิจฉามักมีองแป น, นะมิจฉาทิฏฐิก็ไปสู่ทางผิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิบางพวกก็มิจฉาญาณนะมิจฉาวิมุติเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เดินทางทางผิดทั้งนั้นใครเอื่อนนะนอกจากเราผู้จะช่วย พาโลกสันนิวาตให้มาสู่ทางอริยะเป็นไม่มีไม่มีใครเข้าพาเอา่อพาไปสู่ทางที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์นะไม่มีใครพาไปสู่ทางเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีหรือไม่มีใครพาเข้าไปสู่ทางเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เดินไปทางที่เป็นอนาระยะเนี่ยนะเป็นทางของอนาระยะชนทางแห่งความชั่วด้วยกายวาจาและใจ พอองคารุณาว่าโลกสันนิวาตเล่นไปสู่ห้วงแห่งโมหะคือความมืดใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาตให้พ้นจากห้วงแห่งโมหะเป็นไม่มีเนี่ยนะมันมืดหันไปทางไหนก็มืดไปหมดทานขวานซ้ายก็มืดทัานขวาก็มืดถ้าใครอ่นนะถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าใครเคยเคยอยู่แบบคนไร้ญาติขาดมิตรไร้ทรัพย์ไร้สินไร้เงินไร้ทองเนี่ยนะ เห็นคนอื่นเนี่ยแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ไม่รู้จักใครสักคนเนี่ยมันมืดจริงๆเลยนะทุกข์มันยากจริงๆนะใครที่เดินไปทางมืดทางบอดหรือบางทีเนี่ยนึกถึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยเด็กๆเหมือนกันอันนั้นไปเที่ยวงานเนี่ยนะไปเที่ยวงานเสร็จแล้วพลับจากญาติเนี่ยนะหาญาติไม่เจอเนี่ยโอ๊ยงเงยเงามันเฉ า, ม, ามันแห้งแรงโอ้ยมันทุกข์จริงๆนะ ใครนะจะช่วยฉุดเราได้นั้นในชีวิตในสังสารวัตรเนี่ยนะถ้าทุกคนเนี่ยกำลังเวียนไหวตายเกิดตกอยู่ในห่วงแห่งบาปอากุศลใครนะจะฉุดเราให้พ้นจากห่วงแห่งโมหะได้ผั้นใครที่ศึกษาพระธรรมคําสอนนี่ก็คือพยายามที่จะช่วยฉุดตัวเองให้พ้นจากห่วงอะพ้นจากบ่วงแห่งโมหะให้พ้นจากห่วงแห่งโมหะทีนี้ขณะเดียวกันบางคนก็พยายามปิดตาตัวเองไม่ให้เห็นคําสอนปิดหูตัวเองไม่ให้ฟังคําสอนคนนี้ก็ มีตาก็เหมือนคนตาบอดเนี่ยนะนะก็บอดจริงๆเพราะไม่มีตาปัญญามีหูก็เป็นคนหูหนวกเพราะไม่ได้ยินเสียงอริยสัจธรรมก็พยายามไปคิดหาสูตรหาช่องทางเอาเองนะคนที่หาทางได้เองก็คือพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบุคคลที่เหลือจะต้องเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าไปถูกบาปกรรมอะไรมาเนี่ยนะนะ ปฏิเสธแม้กระทั่งที่จะเห็นคําสอนปฏิเสธแม้กระทั่งจะฟังคําสอนบางคนก็บอกโอ้ยนั่นปริยัติเนี่ยนะกลัวอะไรปริยัติเนี่ยนะแต่ที่ปุตุชนพูดในบอกนั่นปฏิบัตินะนะทีพระอริยะท่านแสดงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบอกว่านั่นนั่นปริยตัติแต่ถ้าคนบอดด้วยการพูดเนี่ยบอกโอ้ยนั่นข้อปฏิบัติปฏิบัติไปไหนก็ไปสู่อาบายทุกติวินิบาดนารกนะนะั่นแหละ เอาเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเราพ้นอบายทุกขติวินิบาตนารกแล้วนะบางทีนี่เสียเวลาเปล่านะเสียดายเวลาชีวิตเนี่ยนะเพราะว่าชีวิตที่เหลือมันไม่แน่นอนไอ้แต่ที่ผ่านมานี่มันแน่นอนเพราะเราได้มาแล้วไอ้แต่ที่เหลือนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรจะจีรังยั่งยืนนะเดีย๋ยวพรุ่งนี้ต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างจากเนี่ยนะเพราะสังขารทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะใครจะช่วยฉุดให้พ้นจากวัฏฏะดังนั้นไปที่ไหนก็ไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเธอ ไปเพื่อจะศึกษาพระธรรมคําสอนเธอมีตาก็อ่านพระไตรปิฎกบัง่งมีหูก็ฟังคําสอนบ้างเนี่ยนะอยงนั้นไม่ไมไมบอดไม่บอดก็เหมือนบอดไม่หนวกก็เหมือนหนวกเดีย๋ยวไปคิดนะทําไปทํามาเนี่ยสมาทานเป็นศัตรูกับตัวเองในอนาคตแล้วจะเดือดร้อนนี่มันก็เดือดจนไม่รู้จะร้อนยังไงแล้วเนี่ยมันร้อนระอุไปหมดแล้วเนี่ยนะก็ให้มันหาคําสอนเพื่อจะได้สงบร่มเย็นบ้าง โลกสันนิวาสถูกทิฐิสองอย่างกลุ่มรุมคือมันกลุ่มรุมเนี่ยมันสลับการระวังอุเฉตทิฐิสลับกับสัตตทิฏฐิเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็ศูนย์เดี๋ยวก็ศูนย์เดี๋ยวก็เที่ยงสลับคละเคล้ากันไปมันกลุ่มมันรุมมันยุ่งไปหมดเลยแก่แก้ไปแก้มาเอามันก็ตกสัตต์แก้มาแก้ไปเอาตกอุเฉตอีกแล้วทําไปทํามามันสับสนมันยุ่งเยิ่งมันวุ่นไปหมดเลยนะมันบางคนเนี่ยแก้ไปแก้มาแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยนะก็เป็นสัสตะไปแก้ไปแก้มาเป็น อุเฉททิฏฐิไปพงเจริญกรุณาว่าโลกสันิวาตปฏิบัติผิดด้วยความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะความชั่วเนี่ยนะก็สถานที่ทุกแห่งเนี่ยนะคนเนี่ยไม่ทําความชั่วทางกายก็ชั่วทางวาจาไม่ชั่วทางวาจาก็คิดชั่วทางใจโดยมากไปที่ไหนไปทําชั่วเนี่ยนะตั้งไว้เหมือนว่าตั้งไว้เพื่อไปทําความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจ โลกสันนิวาสเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องประกอบถูกกิเลสเครื่องประกอบสี่อย่างประกอบเอาไว้เนี่ยนะถูกกาม โ, มโยคะประกอบไว้ถูกทิฏฐิโยคะประกอบไว้ถูกภวะโยคะประกอบไว้ถูกอวิชชาโยคะประกอบไว้เนี่ยนะถูกบาปอากุศลถูกกิเลสเครื่องเศร้ามองประกอบให้มันติดพันลุ่มหลงอยู่ในวัตตะโลกสันนิวาสถูกกิเลสเครื่องเครื่องร้อยกรองเนี่ยนะเครื่องร้อยร้อยเอาไว้ถูกคันธะเดี๋ยวก็ กายะคันธพยาปาทากายะคันธ ะ, าธาา ะ, นธะสีระพะตาปรามาสากายะคันธะอีทางสัจจะพินิเวสากายะคันธะเนี่ยคล้องเอาไว้เนี่ยนะเหมือนกับถูกโซ่เนี่ยมันคล้องเอาไว้แล้วก็ยึดถือด้วยอํานาจอุ ป, ปาทานสีด้วยการมุปาทานทิฏฐปาทานสีระพตุปาทานและอัตตาวะทุปาทานยึดแล้วยึดอีกยึดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะแล้วก็เดินขึ้นไปสู่คติห้านะไม่ใช่ขึ้นสูงนะ ะขึ้นจากเขาจะได้ตกเหว้ยตกเหวไปสู่นรกเยนะขึ้นสู่ก็ขึ้นสู่นรกบ้างสู่เปรตบ้างเดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างน้อยนะักที่จะไปเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นสู่คติห้าโลกสันนิวาสกำหนัดอยู่ด้วยกามาคุณห้ากำหนัดติดพันยอยู่ด้วยสิ่งที่ร้อยสิ่งที่รัดสิ่งที่มัดเอาไว้ในสิ่งที่หน้าปราธนาะ ติดใจเอาไว้ในรูปสวยๆวยเนี่ยนะพาใจล่องลอยไปในรูปสวยเสียงพรกเปลนหอมรสอร่อยสัมผัสที่ตัวเองปราถนาฝักใฝลลุ่มหลงก็กำหนัดติดแน่นอยู่นั้นแหละเหมือนกับกาวเนี่ยนะไปเรียกว่าไปฉาบตัวเองไปแปะตัวเองเอาไว้ทั่วไปหมดเลยนะเพราะนั้นเท่ากับปฏิสนธิไปแปะปฏิสนธิพบใหม่เอาไว้ทุกหนทุกแห่งและทุกอารมณ์ถูกนิวรห่านี่นะท่วมทับเอาไว้นิวรห่านี่ยทับ ไม่ให้ทาบุญไม่ให้เจริญกุศลไม่ให้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยโลกสันนิวาสเนี่ยวิวาดทะเลาะกันด้วยวิวาดเหตุมูลหกเนี่ยนะโทสะเป็นต้นเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาดมันก็มม่แต่ทะเลาะโมวแต่แก่งมม่แต่แย่งโมวแต่ทะเลาะไปทะเลา ะ, ะ, ะมาก็เหมือนกับไก่สองตัวมันจิกมันตีกันตีกันนั่นแหละเสร็จแล้วก็ตายทั้งคู่นั่นแหละทะเลาะวิวาทกัน โลกสันนิวาต์กำหนัดอยู่ด้วยกองตันหาหกเนี่ยนะกองตันหารูปตันหาก็สวมตานะดึงตาไปสัพธตันหาก็ดึงหูออกไปคันธ่ตันหาก็ดึงจมูกไปเนี่ยนะเหมือนกับควายอะถูกจูงจมูกไปอย่างนั้นรักษาตันหาก็เกี่ยวลิ้นออกไปโพธภาพตันหาก็ดึงกายไปธรรมะตันหาจอยก็ถูกฉุดคิดไปทั่วโลกสันนิวาตถูกทิฏฐิหอย่างกลุ่มรมเนี่ยนะก็คือมิจฉาทิฏฐิหอย่าง คือโดยย่อก็อุเฉธทธิติกัสัตาทิตินั่นแหละมันกลุ่มรุมโลกสันิวาร้านไปเพราะอนุใสเจ็ดคืออนุยัยคือกิเลส ท, ที่มีกำลังมีการมราคาอนุยัยเป็นต้นเนี่ยนะานไปตลอดเวลาโลกสันิวาถูกสังโยชเจ็เกี่ยวคล้องนะเกาะเกี่ยวก็คล้องเอาไว้เหมือนกับว่าสุนัขถูกล่ามโซ่เอาไว้อย่างนั้นแหละ โลกสันนิวาสฟูขึ้นเพราะมานะเจ็ดอย่างอะ น, นะมานะสําคัญว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเนี่ยนะมันทําให้ฟูอยู่ตลอดเวลามารู้จักเราน้อยไปเนี่ยนะมานะมันบอกอย่างงั้นแหละนี่ถ้าเขารู้จักเรากว่านี้อีกหน่อยนะมานะมันก็เสียมมันก็ซ้อนมันก็บอกมันก็เตือนเนี่ยนะโลกสันนิวาสน่าสงสารเพราะเขาเนี่ย อยู่ด้วยโลกกระทำแปดเนี่ย น, นะเดี๋ยวก่อได้ก็ได้รับลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็นินทาเดี๋ยวก็รับคําสรรเสริญอันะเดี๋ยวก็อะไรเดี๋ยวก็รับความสุขเดี๋ยวก็สเสวยความทุกพอได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญไ ด, ได้รับความสุขก็ฟูขึ้นเวียนอยู่ติดข้องกันนั้นพอได้รับความทุก ได้รับการนินทาได้รับการว่าร้ายได้รับความเสื่อมยศก็เร่าร้อนเดือดร้อนกวนกวยเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้รับโลกกระทำฝ่ายร้ายก็สแสวงหาแต่โลกกระทำฝ่ายดีเมื่อถูกนินทาก็สแสวงหาคําสรรเสริญเมือ่อรับความทุกข์ก็สแสวงหาความสุขเมื่อเสื่อมยศก็สแสวงหายศแสวงหาบริวารเนะเมื่อเสื่อมลาบก็สแสวงหาแต่ลาบเป็นต้น โลกสันนิวัตดิ่งลงเพราะมิจฉาทิฉตะแปดคือข้อปฏิบัติที่ผิด8ประการดิ่งลงเพราะมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงเพราะมิจฉ า, า, ากรรมันสังกปะดิ่งลงด้วยอํานาจมิจฉาวาจาดิ่งลงด้วยมิจฉากรรมมันตะความชั่วทางกายดิ่งลงเพราะมิจฉาอาชีพ น, นะดิ่งลงเพราะมิจฉาวายามะขยันในสิ่งที่ควรขี้เหียจมันะนั้นเอง นะไปจามสิ่งที่ไม่ควรระลึกเนี่ยนะไประลึกถึงสิ่งที่ไม่ควรระลึกอันนี้ย่งมิจฉาสตินะไปสงบไปแหมเหมือนกันนิ่งเงียบอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรจะสงบควรจะนิ่งพันโลกสันนิวาสปทุสร้ายการพ่อบุรุษโทษแปดคือทุกคนมันก็มีแต่คนอะไร น, ะนักโทษของวัตตะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามหาโจรถ้าไปอยู่ร่วมกับมหาโจรมันก็มีแต่คนเลวมาอยู่ร่วมกันก็มหาเลวสารพัดเลวก็ไปกองอยู่ร่วมกัน เหมือนกับโรคระบาดแปดชนิดมารวมกันเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยรับโรคระบาดชนิดร้ายแรงมาคนละอย่างคนละอย่างถ้าแปดคนมารวมกันอะไรจะเกิดขึ้นนั้นโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเนี่หน้ากรุณามันเขาหน้ากรุณาว่าเขาเนี่ยมุ่งร้ายกันในกันเพราะอาคาตะวัตถุก้าวคนโน้นเคยทําความเลวให้แกเราไอ้คนโน้นเคยด่าเราคนโน้นเคยว่าเราเราจะต้องเอาคืนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตะวัตถุก้าว ส่วนรายละเอียดแม่ที่บายทั้งหมดนะที่บายหมดก็ไม่ต้องจบกันละเหมือนกันนะอันนี้ก็พูดแต่หัวข้อคร่าวๆก็พอระดับนี้แล้วนะระดับที่กําลังเริ่มเรียนนะโลกสันนิวัตพองขึ้นเพราะมานะก้าวย่างเนี่ยนะมันลาพองเหมือนกับอึ้งเนี่ยแหละมันจะไปแข่งกับอื้องเนี่ยนะพองตัวเพื่อจะแข่งกับแม่วัว มานะเนี่มันทําให้พองพองพองพองพองก็บอกว่าถ้าเทียบนะเราทั้งหลายเนี่ยถ้าอยู่ในถ้าเทียบเราในระดับจังหวัดก็ตัวนิดเดียวถ้าเทียบในระดับประเทศก็หน่อยเดียวถ้าระดับโลกเลยนิดเดียวถ้าเทียบระดับจักรวาลเนี่ยนะโอ้ยผาพงไม่รู้ก่เซี่ยวกี่เซี่ยวจริงก็เท่าเราแต่ขนาดนั้นมานะมันก็พองเหมือนว่าเราเนี่ยหนึ่งในจักรวาลเนี่ยนะเราเนี่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลด้วยอํานาจมานะมันพองพองพองพองอย่นั้นแหละทีนี้มันพองหรืออืดก็ไม่รู้นะ มันโลกสันนิวาสเนี่ยนะกำหนดอยู่ด้วยทําอันมีตันหาเป็นมูลเก้าตันหามันก็ทําให้เกิดการสแสวงหาเมื่อสแสวงหาจึงได้ลาบเมื่อได้ลาบก็มาใคร่ครวนเอ๊ะอาเ น, นี้เอาไปทําอะไรก็วินิจฉัยตกลงใจเอาแบ่งอันนี้ น, นี่เอาไปไว้ใครคนนั้นนี้ให้คนนี้อันนี้เพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิน่นเพื่อรสนี่นะก็มีการบริโภคมีการป้องกันอารักขาในที่สุดเอาไปเอามาทะเลาะ ก, กันเพราะสิ่งที่สแสวงหามาจนได้ หามาจนหามาทําไมหามาทะเลาะกัน น, นะนะมันโลกสันนิวาตเนี่ยเศร้ามองเพราะกิเลสวัตถุคือกิเลสเป็นเครื่องทําให้เศร้ามองมองใจด้วยราคาบ้างมองใจด้วยโทสะบ้างมองใจด้วยโมหะมองใจด้วยมานะด้วยทิฏฐิด้วยธีนะมิทะอุทะจะเป็นต้นเนี่ยนะสุโธบ ว, วมีแต่ความเศร้ามองอยู่ตลอดเวลาโลกสันนิวาตมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตะวัตถุสิบบางทีก็ไปโกรธเรื่องไม่ควรโกรธเนี่ยนะ โลกสันนิวาเนี่ยใช้ชีวิตประกอบด้วยอากุศลกรรมบทเสจใช้ชีวิตอยู่ด้วยปาณาติบาตมั่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยอธินาทานใช้ชีวิตอยู่ด้วย การมีสูมิจฉาจารย์พูดเทศพูดคำยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้ออภิชาพยาบาทและมิฉาทิฏฐิเนี่ยนะประกอบไม่ตกอันใดก็อันหนึ่งจนได้ น, นะนะเพราะปกติหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยประกอบอยู่ด้วยไม่ทําชั่วกายก็วาจาไม่วาจากว่าใจทีนี้กายก็แบ่งเป็นสมบุชั่วทางวาจาก็แบ่งออกเป็นสี่ชั่วทางใจก็แบ่งออกเป็นสมเอาไปเอามาก็โอยทําแต่ความชั่วก็นะตอนนี้บอกว่าบางคนเนี่ยจะสอบถามตัวเองฉันชั่วตรงไหนฉันเลวตรงไหน เออเดี๋ยวก่อนตายนึกดูซิมันไปดีได้ไหมล่ะ น, นักถามตัวเองว่าจะไปสวรรค์ได้ไหมล่ะสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่เนี่ยนะถ้าไปไม่ได้นั่นแหละมันชั่วแล้วล่ะ โลกสันนิวาสเนี่ยนะน่าสงสารเพราะเขาถูกสังโยชนิสิบเนี่ยเกี่ยวคล้องเอาไว้ก็คือถูกโซ่สิบเส้นผูกทางตาเนี่ยนะโซ่สิบเส้นผูกหัวไว้กับเสียงโซ่สิบเส้นเนี่ยผูกจมูกไว้กับกลิ่นโซ่สิบเส้นผูกลิ้นไว้กับรสโซ่สิบเส้นผูกกายไว้กับโภตาภะโซ่สิบเส้นผูกใจไว้กับเรื่องราวต่าง ๆ, ๆเนี่ยนะเพราะในอายตนะบัพพาสติปทานเนี่ยนะ ว, ว่ารู้ชัดจากสุรู้ชัด รูปรู้ชัดสังโยตที่อาศัยจักรสุและรูปเพรา ะ, ะ น, นโดยมากก็ถูกสังโยตสิบเนี่ยเกี่ยวคล้องตาเอาไว้กับซิกสังโยชตสิบคือโซ่เราเนี่ยคล้องหูเอาไว้กับเสียงเป็นต้นอันโดยมากเนี่ยนะถูกสังโยตสิบเกี่ยวคล้องเอาไว้แล้วก็ดิ่งลงเพราะมิฉตะสิบแน่นอนอุยในผู้ในบรรลุ ก, กับชั้นหนึ่งนี่แหละสาคัญว่าตัวเองรู้สําคัญว่าตัวเองบรรลุคือตัวเองเนี่ยปฏิบัติอยู่ในมิฉามักอันประกอบไปด้วยองแปดอยู่แล้ว อันนะั้นก็สําคัญว่าชั้นนี่รู้ชั้นนี่แหละบรรลุชั้นนี่แหละดุดพ้นขอให้มันพ้นจริงเถอะถ้าพ้นไม่จริงแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเขารู้เวทโฆษณาพระตัวเองมหาเศรษฐีร่ารวยถ้ารวยจริงก็ดีแล้วจะได้พ้นทุกข์ถ้าไม่จริงนี่สิมันจะเดือดร้อนมันจะลําบากในวันหลังนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ดิ่งลงเพราะมิจฉาปฏิบัติทั้งสิประการเนี่ยนะมันก็ดิ่งไปไหนก็ดิ่งไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนะรกนั่นแหละบางทีก็ถูกประกอบด้วยมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบ มิจฉาทิถิมีวัตถุสิบก็คือเดวแบบบางพวกก็ถือว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงชีพสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วไม่เป็นอีกเป็นต้นนันเรียกว่ามิจฉาทิถิมีวัตถุสิบหรืออีกในหนึ่งก็คือปฏิเสธว่าทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีพ่อแม่เนี่ยทำดีทำชั่วก็ไร้ประโยชน์เป็นต้นเนี่ยนะหนักๆเข้าปฏิเสธแม้กระทั่งนรกเทวดานะพวกปฏิเสธนรกก็ไม่เป็นไรอย่าตายก็แล้วกันเนี่ยนะ ปัญหามันอีกไม่นานเนี่ยพวกปฏิเสธแล้วตายเร็วนี่สิมันลาบากเนี่ยจะไปไหนนาะขังตัวเองไว้ในโอ้ไว้ในลุมฐานเพลิงเนี่ยมันเดือดร้อนแน่ละบางคนก็บอกโอ้ยนรกเนี่ยมันคนตกไปเยอะแล้วสงยมันเสื่อมไหมนะบอกโอ้ยคุณภาพดีกว่าเดิมเหมือนกันรู้สึกว่าระบบการลงโทษเนี่ยหนักระเกลียเยอะเนี่ยนะเหมือนกับสงครามสมัยก่อนใช้อีดาบใช่ไหมโอ้ยสมัยนี้เขาใช้ขีปานาวุธแล้วเนี่ยนะเนี่ยพันยิงข้ามทวีปได้สบายๆตอนเนี้ย ควบคุมด้วยอะไรนะด้วยดาวเทียมอะไรง น, นนะเลือกปุ่มเนี่ยนะสรุปว่าตายเรีย บ, บเหมือนกันแต่ทันโมสารเนี่ยดึงด้วยมิจฉาทิฐิจริงๆโลกสันนิว่าเนี่ยถูกประกอบด้วยส ก, กายาทิฐิมีวัตถุยี่สิบเนี่ยนะนนะเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนในรูปเห็นรูปในตนเห็นตนมีรูปเป็นนะพวกราส ก, กายาทิฐิเพราะฉะนั้นทิฐิสี่คูณขันห้าก็เท่ากับยี่สิบ โลกสันนิวาสเนี่ยต้องเนิ่นช้าเพราะตันหาเครื่องทําให้เนิ่นช้าร้อยแปดมันช้าหรือมันยาวก็ไม่รนี่ยช้ากับยาวมันเดียวกันนะช้าอยู่ในวะตะัตฏะหรืออยู่ในวัตฏะได้อย่างยาวชนิดที่เรียกว่าไม่มีออกว่างั้นเลยมันพระองคอ์พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสเนี่ยนะถูกทิฏฐิหกสิบสองกลุ่มรุมจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ะนะว่า ตอนนี้เราเนี่ยเป็นผู้ข้ามได้แล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้สมัยมีพระชนเนี่ยพระองค์คิดอย่างนี้ทุกวันเลยนะเช้าบ่ายเช้าบ่ายว่าเราข้ามแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ข้ามส่วนเราเป็นผู้พ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่พ้นเราฝึกกายวาจาใจฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาเสร็จแล้วแต่สัตว์โลกยังฝึกไม่ได้ ส่วนเราสงบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่สงบส่วนเราเป็นผู้เบาใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่เบาใจเราปรินิพานแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ปรินิพานองค์ก็คิดว่ากรุณา ก, กระตุ้นว่าก็เราเป็นผู้ข้ามได้แล้วเราจะช่วยให้สัตว์โลกข้ามได้ด้วยนะก็อันนี้ก็แรงผลักตัวหนึ่งที่ทำให้พระองค์ออกมาแสดงธรรมเราเป็นผู้พ้นแล้วเราก็จะให้จะช่วยให้สัตว์โลกพ้นไปด้วย เราฝึกเสร็จแล้วเราจะช่วยให้สัตว์โลกฝึกได้ด้วยเราสงบแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกสงบด้วยเราเป็นผู้เบาใจาแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกเบาใจาด้วยเราเป็นผู้ปรินิพานแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกปรินิพานด้วยพระองค์เนี่ย ผู้ตรัสรู้แล้วด้วยะนะรู้ด้วยสัพพัญยุตยานเป็นต้นเจริญมหากรุณาไปนในหมู่สัตว์ทั้งหมดที่กล่าวมาโดยโยเรียกว่าพระมหากรุณาสมาบัติยานของพระตถาคตพันพระพูทมีประภาคเนี่ยนะเป็นผู้มีกรุณาเป็นปกติมีกรุณาเป็นสภาวะเราจึงเรียกว่ามหากรุณิกษัตริผู้มีพระมหากรุณาอันหาที่เปรียบนี้ได้หาประมาณนีไ้ได้พระมหากรุณาของพระองค์นี่กว้างใหญ่ไพศาล พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนบเนี่ยนะสวดในก็แค่อุปมาจริงๆแล้วกรุณาของพระพุทธเจ้ามากกว่าทะเลอีกเนี่ยนะกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าทะเลหลายพันล้านเท่าเนี่ยนะหลายหมื่นล้านเท่าหาประมาณไม่ได้แต่ก็เปรียบ ว, ว่าไอ้สิ่งที่มันกว้างใหญ่ไพศาลคือทะเลอันนบมหันโนบก็คือทะเลพราะฉนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหาการุณากว้างใหญ่ไพศาลประดุจทะเลพระองค์นั้นมีพระญาณ น, นะนะ และมีความบริสุทธิ์ที่หมดจดพวกเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นบุญเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาที่ได้สังสมมาดีแล้วที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาอันหาประมาณไม่ได้มีกรุณาอันยิ่งใหญ่อย่างนี้พระองค์นั้นไม่ใช่มีแต่กรุณาอย่างเดียวขณะเดียวกันพระองค์ยังมีพระปัญญาเพราะว่าคําว่าพูดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาเนี่ยนะ โดยเฉพาะพระ พ, พุทธเจ้า พ, พ, พ, พ, พุทโธเนี่ยแปลว่าพุชิตาสัจจานีติพุทโธพุทโธหรือพุทธะพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าปรสุรุสัจจะทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ปรสุรุสัจจะปรัสุรุวันนี้ทุกปรัสุรุวันนี้ทุกขสมุทัยปรสุรุวันนี้ทุกขเนโร่ปรสุรุวันทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาหรือพระผองค์เนี่ยชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็คือโพเทตาปชาญาติพุทโธ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยอาจว่ายังหมู่สัตว์ให้ตรัสรู้เนี่ยนะทำให้เขารู้ตามเนี่ยนะทำให้พระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีเป็นต้นรู้ตามหรืออีกในหนึ่งชื่อว่าพุทโธก็เพราะพระองค์เป็นผู้ตื่นแล้วตื่นจากบาปจากอากุศลตื่นจากอากุศลก็คือพระองค์เนี่ยละอกุศลได้อย่างสิ้นเชิงละอกุศลเหล่านั้นพร้อมทั้งวาสนาละความหลับคือโมหะเนี่ยนะ หลวพระองค์นี้ชื่อว่าเบิกบานเพราะพระองค์เนี่ยเบิกบานด้วยสัพพัญญุตยานตื่น น, นะผู้ผู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนีย่ยนะคำว่าตื่นก็คือตื่นจากโมหะเบิกบานก็คือเบิกบานด้วยสัพพัญญุตยานเบิกบานด้วยปัญญาที่รู้อดีตรู้อนาคตรูร้ทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตรูร้สังคตะอสังคตะรู้วัตตะวิวัตตะรู้บัญญัติรู้รปรมัทิตยโดยประการทั้งปวงพระองค์จึงชื่อว่าเบิกบานคือเบิกบานด้วยพระปัญญานั่นเอง พระองค์นี้ชื่อว่าพุโทโธเพราะไม่มีธรรมที่ควรรู้แม้รายร่ที่พระองค์ไม่ได้อย่างรู้สิ่งใดที่เรียกว่ารู้ได้เนี่ยนะสิ่งนั้นพระองค์ไม่รู้เนี่ยไม่มีเพราะพระพุทธเจ้ารู้สรรพสิ่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้รู้แล้วอีกในหนึ่งเนี่ยนะค่ะหมายขอ ง, ของคําว่าพุโทโธโดยอัถะคือเป็นขันธ์ห้าโดยเฉพาะนามขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆก็ทั้งขันธ์ห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่อ บ, บรมมาด้วยดีด้วยพระบารมี นะบารมีทั้งสิบอุปปารมีสิบปรมาภปารมีสิบมหาบริจาคห้าเป็นตัวบ่มให้ได้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่พิเศษที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างไม่มีส่วนเหลือพร้อมทั้งว่าสนาอันได้อันถูกขจัดทำลายแล้วด้วยพระสัพพัญยุตยานคือรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระ อ, องค์เองและก็พระองค์เนี่ยนะก็ยังขันห้าที่รองรับ กลุ่มแห่งพระคุณเรียกว่าราศีกลุ่มแห่งพระคุณอันหาประมาณไม่ได้นี่นะพระคุณเนี่ยหาประมาณไม่ได้พระคุณคือปัญญาพระคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะฮิริโอตตาปะสะติสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยนะพระคุณเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราไม่สามารถจะเรียกว่ามาคํานวณ น, นับไม่ได้พระคุณเนี่ยหาประมาณไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะพระยานด้วยเรียกหาประมาณไม่ได้ พระคุณเหล่านั้นเนี่ยนะมีพระมหากรุณาหรือสัพพัญยุตยานเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะอาสาธารณายานหกนะสองสองข้อคือมหากรุณากับปัญญาถ้าพูดกรุณาปั๊บอินเดียปรปริยตยานอาสยานุสยยาน ย, ายามกะปาฏิหาริยานมหากรุณาสมมาบัติยานสัพพัญยุตยานอนาวรณายานทั้งหมดนี่ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วยังมีเวสารยานสี่ทศพลยานสิบเป็นต้นนั้นคําว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี่นะ พระองค์นี้เป็นสฉำภูตรสรู้โดยไม่มีอาจารย์สั่งสอนก็ตรสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยพระองค์เอ ง, ท, งทั้งที่ทำเหล่านี้พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้สดับมาก่อนพระองค์ก็บรรลุถึงความเป็นสัพพันธ์อยู่รอบรู้ในธรรมทั้งหมดเหล่านี้ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ชำนาญในพละโดยเฉพาะยาณภนะละทั้งหลายกาลังคือปัญญานี้พระองค์เชี่ยวชาญชนานาญ เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ผู้มีอนุภาพอันหาอุปมาไม่ได้อย่างนี้